ท่านประโยคาวจารทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วต่อไปเราตั้งใจสำหรับเรื่องราวของพรหมีหารสีสำหรับพรหมิหารสีนี้ได้พูดมาแล้วว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญที่สุด บุคคลใดอีกำลังใจพระมีหันศีเป็นปกติคนประเภทนั้นตายแล้วหาใบาภูมิเป็นที่ไปไม่ได้จะต้องกลายเป็นคนโง่นในใบภูมิคือไม่รู้จักตกนรกไม่รู้จักเป็นเปรตไม่รู้จักเป็นสุรกายไม่รู้จักเป็นสัตว์เลี้ยงาน แต่ถ้าจะบังเอิญเกิดมาเป็นคนก็เป็นคนที่มีรูปร่างลักษณะสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษแล้วก็จะอยู่ในเขตที่เพียอพร้อมในความสุขสมราญถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีบุญมัศนนามบารมีมากมีลัศษีกายผ่องใสเป็นพิเศษ ถ้รารมั่นคงจริงๆพรหวิหารสี่นี่เป็นมีเป็นปัใจจัยให้เกิดเป็นตรหมนีิว่ากันทิ้งด้านโล ก, กีวิสัยคือมีพรหมิหารสี่แบบชาวโลกเท่นี้หากว่าจะใช้พรหมิหารสี่นี่แบบชาวโล ก, กุตระโลกเหมือนกันแปลมันเหนือนโลกขึ้นไป โลโลกุตระแปลวันเหนือโลกก็ได้แก่พนิพพานเป็นจิตระดับของพระอริยเจา้ายังการเจริญพรมิหารสี่ยังมีความสำคัญพรมิหารสี่นี่เป็นอารมณ์คิดเปอร์ณ์ใช้ปัญญามากกว่าการใช้อารมณ์ทงตัว แต่ถ้าว่าขอบันดาท่านพุทธบริษัทและพโยคารวาจรทหลายจงอย่าทิ้งอารมณ์สมาธิที่เคยบอกไว้แล้วว่าการเจริญนวักรรมบานกองใดก็ดีถ้าทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเส็ยแล้วกรรมฐานกองนั้นก็เละหรลอะร่ะเลอใช้ไม่ได้ เพราะว่าสภาวะจิตของเราชอบเราสัปรปะสายมีอารมณ์ฟุ้งซ่านฉะนั้นอาณาปานุสติกรรมฐานเป็นอนณาเป็นกรรมฐานแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตน อ, ตจอนาาตกจากจะใช้อนาปานุสติกรรมฐานจะใช้นุสติอื่นๆ น, นิกพานศิลป์ น, นิพอสุปควบคุมก็ได้ตามใจชอบ แต่ว่าจุดใหญ่จริงๆต้องยึดธนาปานุสติกรรมฐานไม่เป็นอารมณ์นี่เพื่อป้องกันจิตโยกโคลงหมายความว่าจิตมีความสะุกสะท้านมากจิตไม่ทรงตัวถ้าจิตของเราไม่ทรงตัวมีการมีการหมันไหวมากการเจริญพระกรรมฐานก็ไร้ผล คำว่าไรผลจะหมายความวาการเจริญพุทธาและสติก ร, รมฐานนี่ไม่มีผลเพราะบางคราวจิตเราจะกระสับกรส่ายมากเกินไปบางคราวจิตก็จะทรงตัวดีพอสมควรยั่งเพื่อจิตทรงตัวดีการเจริญพระกรรมฐานทุกอย่างอังนดับแรกถ้าจิตชอบคิดแล้วก็ใชอารมณ์คิดก่อน คิดอยู่ในขอบเขตของอารมณ์เขาก็มาฐานที่เราต้องการแต่ว่าคิดจะสั้นหน้าเปลนไปก็ทิ้งอารมณ์คิดเสียกลับมาจับอนาปานุสติใหม่พออารมณ์จิตสบายแล้วก็ใช่อารมณ์คิดต่อไปสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ไม่ช้ามรรคผลก็เกิดก็อบัญญาเกิดขึ้นมาก วันนี้ก็อยากขอพูดถึงข้อมีฐานสี่ต่อจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าเจ้พูดเรื่องการเมตตากรวณาคือความรักความสงสารตัวเองความจริงการรักการสงสารนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำํำว่าเราต้องรักเราต้องสงสารตัวเองให้มาก ถ้าเรารักเราสุงสารตัวเองมากเพียงใดความรักความสุงสารในบุคคนอื่นก็ ม, มีมากเพียงนั้นถ้าเาจะเมตตาก็ต้องเมตตาตัวเราเองก่อนถ้าเราจะกรุณาก็ต้องกรุณาตัวเราเองก่อนดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจินวรรมณา ส, าสมมาสพติเจา้า ตอนที่พระองค์จะช่วยคนอื่นให้รู้เรื่องของนรกสวรรค์พรมและนิพพานที่องคสามารถจะสอนคนพวกนั้นให้ปฏิบัติเข้าถึงได้สมเด็จพรจองไกรบรมศาสนาทรงทำพระองค์เองให้เป็นพระหันก่อนถึงแล้วจึงช่วยคนอื่นให้มีความสุขข้อนี้มีประมาณชั้นใด ดังนั้นเมตตานี้ก็เช่นเดียวกันสมมติว่าในนดับต้นในสมัยที่เป็นโลคิวใสการที่เราเมตตาชาวบ้านรักชาวบา้านสงเคราะห์ชาวบ้านยินดีกับความดีของชาวบ้านมีความวางเฉยเมื่อชาวบ้านเ<ม>ขาเพ่งพัเราไม่ซ้ําเติมนั่นหมายที่ว่าเรารักตัวของเราเอง ต้องการให้เราเองมีความสุขทั้งนี้เพราะ อ, อะไรเพราะเราไม่ประกาศตัวจนเราไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับใครเรารักเขาเขาก็รักตอบเราสงสัยเขาเขาก็สงสารตอบเราไม่ชา้าเขาเขาก็ไม่ชา้าตอบเขาเพียงซ้ำเราไม่ซ้ำเติมเขาก็ไม่เสียด อย่างนี้ชื่อว่าเรารักเราสงสารตัวเองแต่เรามีมิตรที่ดีอยู่เสมอไม่ว่าจะทั้งด้านโลกีวิสัยสำหรับตอนนี้เป็นตอนของะ้นานาคามีเราจะรักเราจะสงสารตนเราตรงตรงไหนพระคณาค า, ามีนี่มีความสาคัญอยู่สอระดับนั่นก็คือการมฉันทะกับปฏิฆะ สำหรับท่านนี่ทรงพรมีหังสีเป็นปกติข้อที่เรียกว่าปฏิฆะไม่มีความสำคัญเพราะว่าเราลบล้างมามากแล้วส่วนที่หนักก็คือกามฉั น, นทะคำว่ากามฉั น, นทะก็หมายความนักนพอมีความพอใจในรูปสวยพอใจในเสียงเพราะพอใจมีกลิ่นหอม พอใจในรสอร่อยพอใจในการสัมผัสระหว่างเพศเราพูดกันยังไงอันดับแรกก็มาพูดกันว่าอยากมีสามีอยากมีพันยาคิดว่ามันมีความสุขอันนี้แย่ลงคิดคิดว่าการแต่งงานมันมีความสุข เรื่องถเรามีกามีหันสี่เราก็มันนั่งรักตัวเองสงสารตัวเองเสียก่อนว่าการมีผู้ครองจริงๆคนที่เขามีกันอยู่แล้วนะเขามีความสุขหรือว่าเขามีความพบไปนั่งพิจารณาหาความจริงให้พบสัญญาความจําของเรามีปัญญาความรอบรู้ของเรามี เราจะยอมให้จิตโง่เกินกว่ากิเลสอย่าให้กิเลสเข้ามาจูงจิตเราเป็นสำคัญต้องหักข้างกำลังใจอาศัยที่เจอสมาธิจิตโดยใช้อนาปานสติเป็นราษาเป็นตัว เ, เป็นตัวนำนั่ก็หมายความว่าต้องการให้มีกำลังใจขิ้งแข็ง เรามานั่งดูคู่วิวาที่เข้าแต่งงานกันวันที่จะแต่งงานรู้สึกว่าจะมีความชุ่มชื่นใจมากมีสักมีสีแต่ถ้าว่าก่อนจะแต่งเพราะเริ่มรักกันเข้ามาแค่นี้อารมณ์ก็เริ่มเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรอันดับแรกจิตเริ่มรักยังไม่ได้ตกลงในเรื่องรักแน่นอน อารมณ์มันก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วว่าคิดว่าคนที่เราอยากจะรักเขาในเขาจะรักเราหรือเปล่าใจาเริ่มไม่สบายถ้าเห็นคนที่เราคิดว่าจะรักเขากำลังรักเขาอยู่แต่ยังไม่ตกลงกันเดินไปกับใครไปไหนมาไหนกับใครดีไม่ดีเข้าไปกับพี่กับน้องของเขาเราก็คิดถือว่าบางทีเขาจะไปกับคนอื่นซะแล้ว พ้รักคนอื่นเสร็จอารมณ์มันก็ไม่เป็นสุขพอตกลงรักกันขึ้นมันได้ความร่ำรวยร่ำไวยมันก็มากขึ้นเกรงไปว่าความรักของเราจะไม่แน่นอนนี่มันเริ่มทุกข์ใจไม่ส บ, บายนอนไม่หลับพอเริ่มแต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันภาระหนักมันก็เกิดขึ้น อีกกางานต่างๆที่เคยเกลียดขั้นได้ไม่ทําอะไรได้หนาวก็นอนร้อนก็นอนมีกิงแค่นี้ก็พอไม่ต้องทาต่อไปแต่พวเริ่มงทำงานเข้ามันต้องขยันมากขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเรามันเป็นคนสองคนนอกจากคนสองคนแล้วยังญาติทางฝ่ายสามีญาติฝ่ายพัญญา เพื่อนฝ่ายสามีเพื่อนฝ่ายพรรยาัญญาเราก็ยังต้องนั่งเอาใจฝ่ายหลาสิบค น, นเริ่มภาระแห่งความทุกข์เกิดขึ้น น, น, นี่นมันี้ยนึงเมื่อเป็นคนสองคนก็ต้องมีงานหนักมากขึ้นแล้วการจัดจ่ายใช้สอยมันก็มากขึ้นเพราะแต่ละก็ยังต้องเป็นห่วงอารมณ์สิ้นกันล้วกัน เลงว่าจะเป็นที่ใครเคริ้ซึ่งกันแกันต้องระมัตรวางตัวเองมากขึ้นนี่ความทุกข์มนุษยตัวข้ามามากทุกทีต่อมาพอมีบุตรมีที่นาเกิดขึ้นตอนนี้สินี่ไม่ดีเําลังนอนหลับส บ, สบายในยามดึพกพอเจ้าคุณร้องกับมาในเวลาดึกทั้งพ่อทั้งแม่เขาต้องลุกนมาทั้งท่นนอนยังไม่เต็มตืน่น การในร่างกายยับเรียบเทียนใดก็ตามทีเพราะใสความรักโลกสงสารโลกก็ต้องทำทุกอย่างเมืลูกเกิดป่วยไข้ไม่สบายขึ้นมายามใดก็ดีก็ต้องรีบไปหามหมอการไปหามหมอน่ดีไม่ดีไปจนคำามเคินถู ก, ก็ขาฆ่าตายเมื่อไรก็ได้ ในกว่าจะเลี้ยงลูกคือโตขึ้นมาแต่ละคนต้องใช้กำลังกายกำลังใจกำลังบังกำลังทรัพท่าไรถ้าลูกเป็นคนดีก็รู้สึกว่ายังไม่ที่พอใจถ้าลูกเป็นเด็กไร้อากัตัยูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่อย่างเด็กสมัยนี้ที่เขาพูดกันว่าบิดามันดาคือพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิด เขาเกิดกันมาเองพ่อแม่อาศัยมีความปรารถนาในการมารมมากกว่าแล้วเขายังเกิดมาแล้วก็ใจเอาขางไปเป็นคนทําลายชาติหวังย่าเปลีป่ยนแปลงระบบความเป็นอยู่ของชาติให้เป็นท่ากันทําเมืองอันนี้เคยพบมาแล้วนี่พ่อแม่ถึงก็ะนำตาไหล เคยพบมาเป็นนักเรียนสตรีโรงเรียนที่มีชื่อแห ạ n หนึ่ยในโรงเทพพ่อเป็นนายพลฐานอาจารย์ตักเตือนเธอเท่าไรเธอไม่เชื่อฟังเขาเรียกว่าเป็นหัวซ้ายหัวขวาแล้วก็ไม่สราบต่อมาท่าอนอาจารย์ก็คิดว่าวีดามันดาคนยัสอจะนยัตักเตือนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อเป็นนายพลจึงได้เชิญกิดามารดาไปเพื่อพบให้พูดกัโลกในเพื่อเรียกรุกสาวมาพบกบด h a r m ดาลูกสาวมายักไหวพ่อไห้แม่ไหวกระถ่ายจา์ใหญ่แล้วกลับพูกกระถ่าาจารย์ใหญ่ว่าไปอเอาไปเรียกเขามาทำไมหนูพูดกับเขาไม่รู้เรื่อง เขาก็หนูพูดทำไมเรื่องหนูคิดว่าเขากับหนูขายกันแล้วตั้งแต่วันเกิดมีความจริงแกยังเรียนหนังสืออยู่ก็ยังใช้เงินของพ่อของแม่เครื่องแต่งตัวเครื่องเรียนทุกอย่างอาหารการบริโภคยังกินของพ่อของแม่อยู่แกพูดอย่างนั้นท่านพูดเป็นดีนดาที่เป็นในคลกับมารดาแท้ก้มหน้าน้ําตาไหล นี่ถ้หากว่าเราบังเ อ, อิญมีลูกเป็นอย่างนี้เข้ามันจะมีสุขแล้มีทุกข์นี่คือหวนกลับไปทีความรักระหว่างคนที่จะแต่งงานกันนักจะเพ่งกันอยู่เฉพาะในวัยที่มีความผ่อนสแข็งแรงก็พี่กับเรา ไม่ว่าสภาพของคู่แต่งงานทั้งคู่จะทรงสภาพอยู่อย่างนั้นเป็นปกติหรือว่าเสื่อมลงไปสิ่งที่เรามองเห็นได้ง่ายคนที่ก็แต่งงานมาก่อนอย่างดิดามันดาปูย่าตายหญ่เรานะท่านก็เป็นหนุ่มเป็นสาวกันมาก่อนในเวลาที่เราจะเริ่มมีสภาวะพอจะแต่างงานวนะันได้นี่ท่านทัน้งหลายเรานั้นหนุ่มสาวแล้วหรืยัง เพราะแก่ไปแลว้วบางรายก็หิง่งหอมต้องเอาวิสัยของพระรวัดหมายใช้นี่พระวัรที่บรรดาญาติฝ่ายหญิงทมีอายุร้อยยี่สิบปีหนังตกระหลังงอผมหมกตาฝ้าหฟาูฟังไม่รุดนำสั่ง ถ้าบาญาติทั้งหลายก็บอกว่าขอเธอทั้งหลายจงครองคู่อยู่กันไปจนั้นทั้งแก่เท่าถือไม่ถ้า ย, ยอดทองเหมือนกับคุณยายของฝ่ายเจ้าสาวพระรีวัดมองไปดูแล้วก็ใจหายถามมาต่อไปเจ้าสาวของผมจะมีสภาพอย่างนี้ไหม คนทั้งหลาก็บอกว่าถ้ามีอายุยืนอย่างนี้ก็มีสภาพอย่างนี้เหมือนกันพระรีวัเกรตัดสินใจว่าเจ้าสาวของเราเวลานี้กระปรี่กระปราผิวพันผ่องใสแต่ต่อไปข้างหน้าต้องแ่อย่างนี้ก็ไม่เอาแล้วขอบอกสลาเรนีบดวดวนนี้ก็เป็นพระอรหันต์ ใี่เราควรจะมีความเมตตาคือความรักกรุณาความสงสารตัวเองว่าเราจงแบกกายแบกใจเพราเราไปรับความทุกข์นในการแต่งงานเพื่อประโยชน์อะไรเพราะการแต่งงานการมีสามีการมีพันญามีบทิดามันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะแบกความทุกข์หาที่สุดไม่ได้จงกว่าจะตาย แต่เราอ่านั่งนักดูว่าสภาวะของร่างกายของเราคนนีของเจ้าสาวเจ้าบ่าวคนนี้ร่างกายของแต่ละคนนี้จะืแม้ว่าคนเองก็เหมือนกันมันเป็นทรัพย์สินสมบัติของเราจริงๆหรือว่าเป็นสมบัติของใคร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 แค่ในด้านกายทั้งหลายเหล่านี้เราบังคับมันได้ไหมเราปรนตรีมันทุกอย่างไม่ต้องการให้มันแก่แล้วมันแก่ไหมเราไม่อยากให้มันป่วยมันจะป่วยไหมนะเราไม่อยากให้มันตายห้ามมันได้ไหมในเรื่องความตายในความจริงเมีแค่จริงๆแล้วก็ห้ามไม่ได้ ร่างกายเราก็ดีร่างกายของเจ้าสาวเจ้าบ่ากราุนี้ที่เรารักคิดจึงมดูให้ดีว่าร่างกายของใครเป็นร่างกายที่สะอาดมีไหมคนที่เกิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนมาถึงวันตายไม่ต้องอาบ น, าน้ำชำมะร่างกายเหมือนทวรดาเหมือนข่มมันมีไหม แต่วัานดาวกับพรงมเนี่ยเขาเกิดที่ไปแล้วนับตะวันเกิดจนถึงวันจุติเขาไม่มีเหงื่อไม่มีใครไม่มีเสียงสุขบกุ้งในร่างกายร่างกายหอมตลอดเวลาแล้วถ้ร่างกายของมนุษย์นี้มีสภาพอย่างนั้นไหมนั่งทำใจนึกให้ดีว่าร่างกายที่เราใช้อยู่นี้มันแสนจะสุขบกุ มีทั้งอุจจาระมีทั้งปัสสาวะมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันขังอยู่ร่างกายเรามองไม่เห็นแต่พอมันหลั่งไหลมันจะร่างกายนิดเดียวเราก็มีความนังเกียจคิดว่าสิ่งท่านไหลเหล่านี้สกปรกแต่ว่าบางทีเรามันเป็นคนลืมง่าย แต่สิ่งสกปรกผ่านไปชำระร่างกายแล้วเรา็นึกว่ามาสะอาดข้อ น, อ น, น, น, ออนี้องค์สมเด็จพระเรมนุกัมนาตทรงสอนว่าจงอย่าลืมเพราะมันเป็นความจริงไม่ว่าร่างกายของชายหรือหญิงมันเต็มไปด้วยความสกปรกสกปรกแล้วก็เสื่อมลงทุกวันมีอาการเตรร็มไปด้วยความทุกข์ในการบริหารร่างกาย ความเหน็ดเหนื่อยก็ต้องเลี้ยงร่างกายด้วยทรัพย์สินจะกินก็ไม่สดวกจะนอนก็ไม่สะดวกการแสวงหาทรัพย์ไม่ใช่ของง่ายกว่าจะได้มาต้องพบ ก, กับอุปสรรคทุกประการเราทำงานกับผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาไม่ดีเราก็กลุ้ม ในบังทีผู้บังคับบัญชาญดีเพื่อนร่วม ง, งานด้วยกันไม่ดีเราก็ค ล, ลุมเวลาป่วยไข้ไม่สบายจะพักจะผ่อนมั่งถ้าวันลาหรือเป็นลายผู้บังคมบบัญชาญเขาม่ยอมให้ลาเราก็ลำบากกายลำบากใจเป็นอันว่าเราเกิดมาเป็นคนนี่มันเป็นทุกข์ทั้งนี้เราจะแสวงหาความสุขจากการแต่งงาน แทนที่มันจะคลายความทุกข์มันก็จะเพิ่มความทุกข์มากขึ้นเพราะเป็นอ น, นว่าเราไม่พบ ก, กับความสุขเราพบ ก, กับความทุกข์เราก็มานั่งคิดในใจว่าเราเป็นคนมีเมตตาความรักเราเป็นคนมีความกรุณาความสงสารเราควรจะสงสารตัวเราไหม ว่าถ้าเราคิดว่าเราจะรักใครสักคนหนึ่งหวังผลในการแต่งงานถ้าแต่งงานแล้วมันเป็นความทุกข์นี่เราควรจะแต่งหรือว่าคนจะไม่แต่งถ้าว่าเราคิดว่ามันเป็นความสุขเราคนแต่งถ้าคิดมันเป็นความทุกข์เราก็ต้องสางสงสารตัวเราเอง ว่าแค่ตัวเราเองแค่นี้เรายังแบกเกือบจะไม่ไหวซึ่งไม่สามารถทรงกำลังกายให้มันเป็นสุขทนได้ถ้าเราเป็นแบกอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วมันต่อมาอีกหลายคนคือลูกสาวลูกชายความทุกข์ใหญ่มันก็เกิดแล้วก็หันมากับมีเมตตาความรักสงสารตัวเองอุณาความสงสารตัวเองโอ๋หนอ เราอย่างโง่ไปทำไมร่างกายของเราก็สกปรกเราต้องการมีคู่ครองร่างกายคู่ครองก็สกปรกเราคนเดียวแบกหนึ่งทุกทุกเ ท, ท่านี้คือขันห้าไม่มีคู่ครองให้อีกคนหนึ่งก็แบกมาอีกห้าขันกลเป็นสิบถ้ามีลูกมีหลานมีเหลนออกมาไปกันใหญ่ งองสมเด็จพระจอมไตรยบรมสารีริกธาตุว่าภาระหามีปัญจคันธาขันทั้งหายห้าเป็นภาระอันหนักให้ เ, เราคนเดียวมีห้าคันหนักแค่นี้ถ้าเพิ่มอีกคนเป็นขันที่สิบเพิ่มอีคนเป็นขันที่สิบห้าเพิ่มอีกคนเป็นคันที่ยี่สิ บ, ม, นนสบมันจะหนักปานไหน ตอนนี้เราก็เริ่มรักเรื่องสงสารตัวขอตัดกำลังใจว่าไม่คิดจะพึ่งหาคู่ครองเห็นโทษแจกความรักในความปรารถนาที่มีคู่ครองเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์มันหาความสุขไม่ได้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคู่ครองล้วก็ดีเราก็ดีเยี่ยุสดสมลงปัจจุบัน ไม่ใช่ก็จา ก, กันด้วยความตายถ้าเรายังมีความหลงไหลฝ่ายฝันด้วยหน้าตันหาแบบนี้อีกเราก็ต้องเกิดอีกมันจะหาความสุขอะไรไม่ได้ควรจะตัดสินใจแล้วก็จำทั้งบาลีก็โองสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาบไว้ว่าปิยะโตชายติโสโกโ ปีเยตชายเยเตพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักให้อันตรายเกิดจากความรักแล้วสิ่งที่เรารักมันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอ ด, ลอดไมยสมัยหรือไม่สมบัติของโลกมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในทมกลางและก็สลายทั้งหมด องสมเด็จพระบรมเสื็คดเห็นโทษอย่างนี้สมเด็จพระมหามุนีจึงเด่นหมีวันนาจิมพากับพระราชนออกโ่มหาพิเนสรมบำเพ็ญตนเป็นพระละหันหมดความทุกมีแต่รม์ความสุขชั้นใดเราก็ขอตัดกำลังใจเคยจะรักเราและสงสารตัวเราเข้าไว้ ว่ากรรมใดที่เน้นจากกามารมณ์เป็นปัจจัยของความทุกขนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราไม่ต้องการเราจะแสวงหาความสุขคืออยู่แต่ผู้เดียวตามที่พระองทรงตรัสว่าเอกาเยนวายังพิกวิมข้ามะโคสัตตานังวิสุติยาเป็นต้นว่าทางเขาคนผู้เดียวเป็นทางเอกเป็นทางนำมาถึงความสุข เราก็พยายามจับปัวกายกะตาตาสติกรรมฐานกับอสุปกรรมฐานพร้อมกับสกายยะทิฏฐิมาโบกันเข้ามา่างกายนี่เป็นแต่เพียงธาตุธาสีมีสภาพสกปรกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเรื่องร่างที่าาเราใส่โชคเราทำไมเราจะไปรักร่างกายเขาเพือพ่อประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นจะเป็ น, นใัจจัยของความทุกข์หาความสุขไม่ได้ ถ้ากําลังใจขบรรดาไทยพุทธบริษัทกันไหลมีความรักตัวสงสารตัวคิดอย่างนี้เป็นปกติไม่ช้ากําลังใจขบรรดาไทยพุทธบริษัททุกท่านก็จะชนะอํานาจการเมต谛เลชได้จักว่าเป็นครึ่งหนึ่งของพระอนาคามียังไม่หมดแต่เวลานี้มันหมดต่อจากนี้ไปขบรรดาสามุกโกองค์สมเด็จพระบรอมสุกศ จงพยายามตั้งกายให้ตรงตามองจิตให้มันอยู่ในวิยาบทที่เห็นว่าสมควรใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัจิยาสายจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควรว่าควรจะเลิกสวัสดี